เรื่องของโลกวิญญาณนั้นเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาทุกยุคทุกสมัยเถียงกันมาช้านานแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องเข้าใจค่ะว่าโลกวิญญาณเป็นโลกทิพย์คนที่จะรู้ซึ้งนั้นก็ต้องฝึกสมาธิสร้างอำนาจจิต จ, จนแก่กล้าพอที่จะสัมผัสได้ย่อมที่จะอธิบายให้ได้รู้นะคะว่าโลกของวิญญาณนั้นมีความเป็นอยู่อย่างไร วิญญาณไม่ใช่มีอยู่แค่ในนรกสวรรค์เท่านั้นแต่ ว, ว่าวิญญาณก็มีคลุกคลีอยู่กับมนุษย์เช่นกันนะคะดังเช่นเรื่องเหตุการณ์ประหลาดที่คุณสุชาติภาคณภพาได้ประสบมาดังที่ได้เล่าไว้ในปีพศ2524อยู่ที่บ้านเลขที่50ทับ34ถนนลาดพร้าวบางกะปิกรุงเทพมหานคร คุณสุชาติภาคนาพาได้เล่าไว้นะฮะบอกว่าตอนที่สร้างบ้านหลังนี้ก็ได้ใช้รถแทรกเตอร์ปรับพื้นที่ให้เรียบและได้ถากจอมปลวกใหญ่ทิ้งไปด้วยที่นี่ได้สร้างบ้านสี่หลังสี่ครอบครัวครอบครัวละหนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านของคุณสุชาติเองแล้วก็น้องๆ อ, อยู่ด้วยกันเมื่อบ้านเสร็จก็พากันย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่แต่แทนที่ทุกคนจะอยู่กันแบบมีความสุข กลับมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยๆซึ่งคุณสุชาติเองบอกว่าผมก็หาสาเหตุไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เหตุไม่ควรทะเลาะกันเลยแม้แต่น้อย มีอยู่วันหนึ่งคุณสุชาตินะคะฝันไปค่ะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างของเขาไม่น่ากลัวอะไรผอมๆบางๆตัวเล็กๆแต่งตัวชุดขาวคล้ายกับคนถือศีลค่ะแต่ว่าเขามีดาบเน็บเอวมาด้วยเขาเข้ามาถึงตัวของคุณสุชาติก็ยกมือสองข้างค้ำคอไว้พร้อมกับบอกว่าเจ้านี่นักเลงโตนักบ้านข้าอยู่ที่นี่ดีๆเจ้าสร้างบ้านของเจ้าแต่ทําไมต้องมาพังทําลายบ้านของข้าด้วยละ่ะ ในใจคุณสุชาตินะคะก็นึกว่าเอ้บนอะไรของเขาไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยผู้ชายคนนี้ก็เหมือนที่จะรู้นะคะว่าคุณสุชาติคิดอะไรอยู่ก็เลยชี้ไปทางจอมปลวกนะคะที่ล้มอยู่ตรงนั้นและเมื่อพิจารณาดูดีๆก็พบว่ามีเศษไม้กระเด็นกระจายอยู่ ก็นึกในใจค่ะว่าเอ๊ะคนจอมปลวกบังเอิญไปทำลายสารไม้ของเขาด้วยเขาก็เลยหาว่าเราเนี่ยเป็นนักเลงโตซึ่งทางที่จริงแล้วก็ทำไปโดยไม่มีเจตนาจงใจที่ทำไปนั้นก็เป็นเหตุบังเอิญมากกว่าก็เลยขออโหสิกรรมกับเขาบอกว่าถ้าท่านต้องการอะไรก็บอกมาจะได้จัดการให้เขาก็เลยบอกว่าข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้ที่จะให้ข่าอโหสิกรรมหรือว่าให้อภัยนั้นก็ต้องสร้างบ้านใหม่ให้กับข้าหลังหนึ่ง ว่าแล้วเขาก็เดินไป 3-4-9 นะคะแล้วอยู่ๆตัวเขาก็พองใหญ่ขึ้นเท่ากับยักษ์วัดแจ้งจนคุณสุชาติเองตกใจนะคะสะดุ้งผวาตื่นขึ้นมาด้วยอาการตัวสั่น ง, งันงกเหงื่อการไหลโสมไปทั่วทั้งตัว พอวันรุ่งขึ้นค่ะคุณสุชาติก็นำความฝันนี้ไปกระาบเรียนให้คุณแม่ได้ทราบว่าได้ฝันอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยถ้าจะพูดตามความจริงแล้วก็มีวิญญาณที่เป็นเทพยอยู่ในบ้านเรานะสถิตประจำสารเก่าที่ถูกลูกโค้นทิ้งไป น, นั่นเน่เขาจึงไม่มีที่อยู่ก็เลยเกิดบันดาลโทสะให้คนอยู่ในบ้านนี้เนี่ยมีโทสะไปด้วยก็เรียกว่าเขาอยู่ไม่เป็นสุข มนุษย์ที่อยู่ในที่นี้ก็อย่าได้มีความสุขอีกเลยแต่นี่เขาก็ยังใจดีมาเตือนให้เราสร้างศาลให้ใหม่ได้อีกหนึ่งหลังในบริเวณที่นี่ก็มีบ้านทั้งหมดสีหลังลูกๆแล้วก็น้องๆ อ, อ, อีก3คนก็เลยลงทันกันค่ะคนละ3 0 0 0บาทรวมเป็นเงิน1 2 0 0 0หบาทนะคะก็สามารถจะจัดการาสร้างศาลเจ้าที่ให้ใหม่ได้แล้วคุณแม่ก็บอกนะคะบอกว่า ลูกจุดทูบ8ดอกนะบอกเจ้าที่ที่เขาสิงสถิตยอยู่บริเวณแถวนี้เพราะว่าลูกสามารถติดต่อกับเทพได้ดีกว่าคนอื่นแล้วก็ถามเขาว่าต้องการให้สร้างขึ้นที่บริเวณไหนคุณสุชาติเองก็ฟังดูก็เหมือนนิยายในลิเกนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อคุณแม่พูดอย่างนี้เขาก็ลองเชื่อดูสักครั้งหนึ่ง คืนนั้นก็จุดธูปแปดดอกบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกว่าถ้าเจ้าที่ที่นี่เนี่ยมีอยู่จริงนะขอให้คืนนี้มาเข้าฝันแล้วก็ช่วยบอกด้วยว่าท่านต้องการจะให้สร้างสารหลังนี้ให้สร้างไว้ที่ไหนบริเวณไหนที่ดูเหมาะสมที่สุดแล้วก็มีข้อจํากัดอะไรบ้าง คุณสุชาติเองนะคะก็บอกว่าพอตอนเช้ามืดค่ะก็ฝันว่ามีผู้ชายคนที่เป็นเจ้าที่คนนั้นเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสเดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าเออข้าดีใจมากที่เจ้าสร้างศาลให้ข้าอยู่อาศัยการสร้างนี้ไม่จำเป็นที่จะสร้างหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านจำไว้นะหน้าบ้านหลังบ้านสร้างได้ทั้งนั้นบริเวณไหนก็ได้ข้าขอ2 อ, อย่างคืออย่าสร้างศาลติดส้วมถือว่าไม่ให้เกียรติข้า อย่าสร้างศาลใกล้หน้าต่างเพราะคนจะออกมาล้างหน้าถมน้ำลายบ้วนเสมหะหรือเวลาอาเจียนแล้วของเหม็นสํารอกออกมานั้นจะไปถูกหลังคาศาลของข้าข้าขอสองอย่างแค่นี้แหละแล้วเขาก็ยิ้มแล้วก็หายไปนะคะคุณสุชาตินอนหลับจนถึงรุ่งเช้าเลยค่ะเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาก็นําความนี้ไปกราบเรียนให้คุณแม่ทราบอีกครั้งหนึ่งท่านก็ตกลงว่าจะสร้างศาลไว้ที่หลังบ้านใต้ต้นมะม่วงท่านก็ไปนิมนต์พระมาเก้ารูป คุณสุชาติก็ไปเช่าเต็นท์มาตั้งใกล้ศาลแล้วก็ถือโอกาสทําบุญบ้านในตัวด้วยพร้อมกับทําบุญเลี้ยงพระส่วนทางพิธีพราหมณ์นั้นคุณแม่ก็ไปเชิญพราหมณ์มาทําพิธีควบคู่กันกับพิธีทางาศาสนาพุทธเพื่อให้ถูกพิธีแล้วก็เป็นสิริมงคลให้กับเท พ, พเจ้าที่นี่อยู่เป็นสุขแล้วเราก็จะได้อยู่แบบสุขสบายด้วยค่ะในการทําพิธีตั้งศาลนี้ใช้เวลาครึ่งวันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในคืนนั้นเขาก็ฝันค่าว่า เจ้าที่ที่นั่นเนี่ยเขาได้สร้างบ้านใหม่แล้วแล้ ว, ลวก็พาไปกินเลี้ยงปรากฏนะคะว่าอาหารที่นํามาเลี้ยงนั้นเนี่ยก็มีไก่ตอนไก่นึ่งไก่ต้มขาเป็ดย่างเป็ดพะโล่หมูต้มขนมแห้งกล้วยหอมส้มโอส้มเกลี้ยงแล้วก็ผลไม้อื่นๆอีกมากมายคุณสุชาติจำได้นะคะว่าอาหารพวกนี้เป็นอาหารที่เราเนี่ยจัดถวายเมื่อเช้านี้เอง ก็แสดงว่าเจ้าที่เขาได้รับรู้แล้วก็ได้กินอาหารที่เราทำให้เขาเราก็เลยดีใจมากอยู่ไม่ได้สามสี่วันเขาก็ฝันอีกค่ะฝันว่าเจ้าที่องค์นั้นเดินจับผ้าขาวม้าปัดไหลามาแบบคนร้อนมากอยู่ใต้ถุนบ้านอันใหญ่โตมีโอ่งน้ามีคนใช้เดินกันขวักขวายอยู่ข้างบนบ้าน แต่ก็แปลกนะคะที่เจ้าที่ของที่บ้านนี้เนี่ยไม่ยอมขึ้นไปอยู่ข้างบนบ้านก็เลยถามเขาบอกว่าเราได้ช่วยกันปลูกสารเสียเงินเป็นหมื่นแล้วทาไมท่านไม่อยู่บนสารนั้นล่ะเขาก็เลยบอกว่าข้าอยู่ไม่ได้บ้านมันร้อนพอตื่นตอนเช้ามาก็เลยเอาความฝันนี้ค่ะไปปรึกษาคุณแม่เหมือนเดิม คุณสุชาติเองก็สงสัยนะคะว่าเจ้าที่ทําไมจึงร้อนไม่ทราบว่าเราทําพิธีถูกต้องหรือไม่ก็เลยเล่าให้คุณแม่ฟังนะคะคุณแม่ก็บอกว่าเราก็ทําถูกต้องแล้วนะพิธีสง์พิธีพราหมณ์ถูกต้องสงสัยแต่ว่าเวลายกสาร น, นี้เราไม่ได้ใช้ช่างปูนช่างก่อสร้างธรรมดาไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า ต่อมาคุณแม่ก็ไปสืบนะคะทราบชัดมาว่าคนที่เป็นช่างปูนทำสารยกสารนี้เป็นสับปะเร อ, อยู่ที่วัดเทพลีลาตรงข้าม ก, กันกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งปกติโดยอาชีพแล้วเวลาทำมัตรสังหรือว่าจัดศพสับปะเรกก็ต้องมีคาถาท่องสะกดศพไม่ให้วิญญาณขึ้นมาอาวาส ด, ดังนั้นเวลาทำสารอาจจะท่องคาถาไปด้วยก็เลยทาให้สารนี้ร้อนเจ้าที่ก็เลยขึ้นอยู่ไม่ได้ ตกลงคุณสุชาติก็เลยต้องจ้างช่างปูนแท้ๆมารื้อสารเก่าทิ้งไปแล้วก็จัดตั้งสารใหม่ขึ้นมาทางหน้าบ้านเป็นที่กราบไหว้ของคนทั่วไปแล้วเขาก็ฝันอีกนะคะว่าเจ้าที่เขาขึ้นไปอยู่บนบ้านเรียบร้อยแล้วเขาก็มีความสุขดีต่อมาคุณสุชาตินะคะก็ไม่เคยพบเจ้าที่เจ้าทางอีกเลยแม้ว่าจะจุดธูปกี่ดอกท่านก็ไม่มาเข้าฝันอีกเลยนี่ก็เป็นเหตุการณ์ประหลาดที่คุณสุชาติภาคนาภาได้ประสบมา ซึ่งทา่านได้ให้ข้อคิดเห็นในตอนท้ายนะคะบอกว่าในการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆนั้นส่วนมากจะมีการขอพรด้วยซึ่งพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้กําลังใจเท่านั้นตัวเราก็ต้องพึ่งตนเองขยันหมั่นเพียรอดทนอดกลั้นบากบัน่นต่อสู้กับอุปสรรคแล้วการงานก็จะสําเร็จได้ดีไม่ใช่งอมืองอเท้าอยู่กับที่แล้วเงินทองจะไหลมาเทมาย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ มีอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะเป็นประสบการณ์ทางวิญญาณของคุณแม่นิพาพันธ์เรืองซึ่งคุณเฉลิมพลพันธ์เรืองได้เป็นผู้เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับแม่ของคุณเฉลิมพลเองนะคะก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตในเดือนมกราคมปีพศ2537ค่ะเป็นการเล่าถึงปรากฏการณ์วิญญาณที่ท่านได้ประสบมาในครั้งหนึ่งดังนี้ ก่อนมนุษย์เกิดมาแล้วนั้นมีทุก4ประการติดตัวเรามาก็คือการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นะคะแม่ของคุณเฉลิมพลก็เป็นผู้หนึ่งค่ะที่เจ็บป่วยโดยคุณแม่เองก็เริ่มป่วยเป็นโรคไตาวายเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2535ยได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งที่ตึก8ชั้นห้องพิเศษ416นอนป่วยอยู่ประมาณ2เดือนนะคะการป่วยคราวนี้แม่ป่วยมากที่สุด หมอก็ต้องรักษาด้วยวิธีการล้างตายด้วยสายยางผ่านเข้านาอาทางหน้าท้องเอาน้ํายาใส่เข้าไปแล้วก็ให้น้ํายาดูดซึมของเสียออกจากเลือดแล้วก็ถ่ายเอาน้ํายาออกคุณหมอที่รักษาบอกว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องเสียชีวิตภายใน6เดือนหรือว่าระยะเวลาสั้นกว่านี้ที่พูดนี้ไม่ได้แช่งแต่เพราะว่าดูจากผลเลือดผลเสียมากมายขนาดนี้ต้องไม่มีชีวิตรอดอยู่แน่ๆไม่มีใครสักคนที่จะอยู่รอดได้ แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรักษาตามขั้นตอนไปก่อนคุณแม่บอกว่าให้เตรียมจัดการศพได้เลยแล้วก็หาวัดไว้ให้ท่านแล้วท่านจะจัดการทำพินัยกรรมแบ่งสมบัติให้กับลูกๆเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะคะ วันนั้นซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรักษาเบื้องต้นคุณหมอบอกว่าคุณแม่เนี่ยได้ผ่านการรักษาด้วยวิธีล้างไตด้วยน้ํายาทําซ้ําๆกันได้ถ่ายเอาของเสียออกทั้งหมดก็หมายความว่าผลขีดอันตรายตอนนี้ร่างกายก็แข็งแรงแล้วกลับบ้านไปพักผ่อนสักพักหนึ่งรอให้ร่างกายพร้อมที่จะผ่าเปิดหลอดเลือดเพื่อการล้างไตด้วยเครื่องไตเทียมต่อไป เวลาตอนนั้นก็ประมาณ4ี่โมงเย็นคุณเฉลิมพล น, นะคะบอกว่าแม่ผมบอกหมอว่าขอกลับพรุ่งนี้เช้าคุณหมอท่านก็อนุญาตที่จริงแม่อยากจะกลับบ้านมากนะแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านทั้งยังพูดอีกว่าการมาป่วยครั้งนี้นึกว่าจะไม่ได้กลับบ้านซะแล้วนึกว่าออกจากโรงพยาบาลก็เข้าวัดเลยโชคดีที่หมอบอกว่ากลับบ้านได้คืนนี้ขอนอนอีกคืนหนึ่งพรุ่งนี้จะได้ไปนอนพักที่บ้านเราบ้าง คุณแม่ก็นอนที่เตียงคนไข่ภรรยาของคุณเฉลิมพลนะคะก็นอนอยู่อีกที่หนึ่งเราก็เลยลงนอนพร้อมกันภรรยาคุณเฉลิมพลซึ่งได้รับใช้ปรนิบัติคุณแม่มาเป็นเวลานานโดยพอท่านหลับภรรยาก็หลับสบายไปเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแม่บอกว่าท่านหลับยังไม่สนิท ด, ดีจะหลับก็ไม่เชิงจะตื่นก็ไม่ใช่พอนอนได้เพียงเดียวเดียวก็ได้ยินเสียงมีคนมาร้องไห้อยู่ซ้ายมือของแม่เป็นจานวนมาก แต่ว่าแม่ก็ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ทราบว่าตัวเองหูฝาดไปหรือเปล่าแต่พอตั้งใจฟังอีกทีก็ได้ยินเป็นเสียงร้องของคนจำนวนอย่างน้อยงน้อย ะ, ะก็น่าจะร้อยกว่าคนได้คือร้องไห้โหยหวยนะคะมีเสียงผู้ชายมากกว่าเสียงผู้หญิงคือเสียงเนี่ยมันก็จะคละคล้ากันไปปะปนกันไปสักครู่หนึ่งก็รู้สึกว่ามีคนใช้มือปลุกคุณแม่ทางซ้ายมือพอท่านลืมตาขึ้นมาก็ปรากฏนะคะว่า ทางด้านซ้ายมือของท่านมีมือเป็นร้อยยุบยับไปหมดส่วนข้างหลังมือเนี่ยก็คล้ายๆสีดำจากการแช่น้ำครามแล้วกลิ่นก็ไม่ค่อยดีคือเหม็นๆตุๆฝ่ามือก็เหลืองคล้ายกับจิ้งจกคือซีดมากๆนะคะคุณผู้ฟังทุกคนแต่งกายในลักษณะมอมแมมเสื้อขาวได้ดิบแล้วก็เปื้อนขี้โคลนสกรปรก ส่วนทางขวามือก็เห็นภาพไหวๆมีผู้หญิงสองคนนุ่งผ้าถุงสีดําน้ําตาลไหมเก่าๆตัวเขาผอมมากเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมือก็มีแต่กระดูกกําลังจับมือแม่แล้วก็ดึงขึ้นไปไว้ที่แก้มเขาแทนที่เนื้อนั้นจะอุ่นเหมือนสาววัยสิแต่ว่ากลับเย็นเฉียบเหมือนน้าแข็งแม่ก็เลยแอบชำเลืองดูก็นึกแปลกใจนะฮะว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนต้องเป็นผีแน่นอนเพราะว่าหน้าเขาแห้งผากมากมีแต่หนังหุ้มกระโหลก แก้มตอบปากแห้งตาโบลึกดวงตาไม่มีสีดำมีแต่สีขาวมองมาที่แม่แล้วก็ร้องไห้ในลักษณะเศร้าโศกฟังดูหอยหวนเป็นที่น่าเวทนาที่ตาของเธอก็มีเลือดออกมาด้วยคล้ายกับว่าผ่านการร้องไห้ม า, มามากเหลือเกินจนน้ำตาเป็นสายเลือดเธอร้องไห้โดยไม่พูดอะไรทั้งสิน้นได้แต่ร้องไห้อย่างเดียวค่ะ ผมของเธอเองก็คล้ายกับว่าไม่เคยสระเคยล้างเลยนะคะเส้นผมเนี่ยชี้ไปทางซ้ายทางขวายุ่งเหยิงกันไปหมดคือยิ่งคิดดูยิ่งพิจารณาแม่ก็คิดว่าแน่นอนแล้วละ่ะผีหลอกแน่นอนก็เลยเรียกว่าวันวั น, วนผีหลอกแม่แล้วคุณแม่ปลุกภรรยาของคุณเฉลิมพล น, นะคะซึ่งนอนเฝ้าอยู่ไม่ห่างคิดว่าเขาจะต้องได้ยินเพราะว่าท่านก็ค่อนข้างที่จะเสียงดังพอสมควร แต่ที่ไหนได้คะคุณผู้ฟังภลรยาของคุณเฉลิมพลไม่ได้ยินแม้แต่น้อยด้วยเหตุที่เธอกำลังนอนหลับสนิทด้วยความอ่อนเพลียแม่ก็นึกในใจว่าเมื่อเราถูกผีหลอกมีทางเดียวคือต้องนึกถึงพระสงฆ์องค์ขเจ้าที่เราเคารพนับถือทุกท่านนิมนมาให้หมดเลยแต่ผีที่มาปรากฏก็ไม่ไปสักทีคะ่ะตอนนี้เนี่ยคุณแม่ถูกผีหลอกเต็มที่แล้วเพราะว่า ผีทางขวามือเนี่ยเริ่มยกตัวท่านขึ้นจากเตียงยกขึ้นยกขึ้นนะคะแม่ก็เริ่มกลัวค่ะหวังจะตะโกนเรียกลูกสะพายให้ช่วยแต่ว่าขากรรไกรมันค้างปากอ้าไม่ออกเสียงก็ไม่มีในช่วงนี้ผีทางซ้ายมือก็เริ่มขยับใกล้เข้ามาแล้วก็ช้อนตัวท่านขึ้นไปทีละน้อยอีกข้างหนึง่งเมื่อถูกผีหลอกไม่มีทางหนีแม่ก็ทาใจแล้วค่ะ บอกว่าอะฉันรู้แล้วว่าท่านทั้งหลายเป็นวิญญาณจะมาขอให้ฉันช่วยท่านต้องการส่วนบุญส่วนกุศลอะไรพรุ่งนี้ทำบุญใส่บาทหน้าโรงพยาบาลแล้วจะอุทิศส่วนกุศลให้นะบรรดาผีเหล่านี้ไม่พูดค่ะเอาแต่ร้องห้าอย่างเดียวแล้วก็ร้องกรีดกราดเสียงโหยหวนระงมไปหมดแต่ว่าคุณแม่ก็เลยตอบไปอีกนะคะบอกว่า ฉันมีเงินติดตัวเหลืออยู่แค่700รพรุ่งนี้จะให้ลูกสะพ้ายไปนิมนต์หลวงพ่อรูปหนึ่งจากวัดข้างโรงพยาบาลมาถวายสังฆทานในห้องนี้อุทิศส่วนกุศลให้เสียงผีก็ยังคงมีอยู่ทั่วไปนะคะก็ยังคงร้องไห้โหยหวนอยู่พวกเขายิ่งอุ้มตัวท่านสูงขึ้นแม่ก็กลัวละค่ะหน้าตาของแต่ละค น, นก็เริ่มปรากฏให้เห็นในลักษณะของหน้าผีที่มีแต่ ก, กระ ด, ดูกมือซีดเซียวหน้าเกลียดหน้ากลัว คุณผู้ฟังลองนึกดูนะคะว่ามีมือมากมายยุบยับเหมือนหนอนเป็นร้อยร้อยมือมาอุ้มตัวเราอยู่จะรู้สึกอย่างไรแต่เมื่อเหตุการณ์ยังไม่ยอมยุติลงคุณแม่ก็เลยคิดว่าเราสามารถทำสังฆทานให้เขาได้แต่เขายังไม่สามารถรับได้แสดงว่าผีพวกนี้เนี่ยมีเวรมีกรรมมากเลยทีเดียวท่านก็เลยกลั้นใจบอกไปว่าอเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน พรุ่งนี้ฉันจะได้กลับบ้านแล้วฉันก็จะข อ, อนิมนต์พระมาก้ารูปมาทำบุญเลี้ยงพระแผ่ส่วนกุศลไปให้ขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้มาหลอกมาหลอนกันอีกเลยฉันกลัวผีขอให้รีบๆไปเถอะปรากฏว่าวิ ญ, ญญาณผีเหล่านี้ก็ยังคงอยู่อีกนะคะพร้อมกับร้องเสียงวิทวิทแม่ก็รู้สึกว่าไม่ดีแน่แล้วนึกต่อไปว่าทาอย่างไรให้ผีพวกนี้ไปก็เลยนึกขึ้นนะคะว่า เอคุณเฉลิมพลซึ่งเป็นลูกชายยังไม่ได้บวชนี่นาะแม่ก็เลยบอกกับวิญญาณเหล่านี้นะคะบอกว่าปีนี้เนี่ยจะให้ลูกชายบวชให้แล้วก็เดี๋ยวอุทิศส่วนกุศลผลบุญแผ่ไปให้ทั่วถึงกันขอเธอขออย่างเดียวขออย่าได้มาหลอกมาหลอนกันอีกพอสิ้นคําว่าบวชอุทิศกุศลให้เท่านั้นละคะ่ะพวกผีทั้งหลายก็วางร่างท่านลงบนเตียงเสียงร้องไห้ในห้องเงียบหายไปคืนสู่ความสงบเงียบตามปกตินะคะ คุณแม่ตื่นจากภาวังขึ้นมาก็มองไป ร, บรอบๆตัวท่านก็เห็นภรรยาของคุณเฉลิมพลนี่ยังคงนอนอยู่เหมือนเดิมไม่เห็นผีอีกเลยหายไปหมดแล้วท่านก็เลยดูนาฬิกาที่แขวนไว้ที่ห้องปรากฏนะคะว่าเวลาเที่ยงคืนครึ่งค่ะหมายความว่าแม่ถูกผีหลอกอยู่เกือบ20นาทีซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยคุณแม่เองเขาก็กลัวนะคะว่าพูดผีปีศาจที่มาหลอกหลอนท่านเมื่อสักครู่นี้จะกลับมาขอส่วนบุญส่วนกุศลเพิ่มเติมอีก ท่านก็เลยต้องรีบหอบผ้าห่มแล้วก็หมอนนะคะเอาไปนอนตรงเก้าอี้ยาวที่มีไว้คอยรับแขกหลังตู้เย็นพอภรรยาของคุณเฉลิมพลตื่นขึ้นมาก็มองหาแม่อยู่นานว่าแม่หายไปไหนห้องน้ำก็ไม่มีใต้เตียงก็ไม่พบจนกระทั่งมองเห็นแม่นอนอยู่ที่เก้าอี้นะคะก็เลยถามท่านไปบอกว่าแม่มานอนที่นี่ทาไมแม่ก็เลยบอกอืมเก้าอี้ยาวเนี่ยมันแข็งดีตอนนี้แม่หายป่วยและนอนบนที่นอนเขาไม่ได้ แต่ปรากฏนะคะว่าตอนเช้าแม่โกหกลูกสะพ้ยท่านต่อไปไม่ได้เพราะว่าหมอได้มาหาแม่แล้วก็บอกว่าคุณป้าอย่าเพิ่งกลับเลยเพราะแผลที่เพิ่งผ่าตัดนั้นเนี่ยต้องตัดไหมที่เย็บแผลวันพฤหัสบดีนี้เพราะฉะนั้นอยู่โรงพยาบาลอีกสักสองวันจะได้ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมานะแม่ได้ยินดังนั้นนะคะก็เลยรีบบอกหมอบอกขอบพระคุณคุณหมอที่ให้การรักษาเป็นอย่างดีและขอบคุณในความปรารถนาหวังดีของคุณหมอที่อนุญาตให้อยู่ต่ออีก แต่ว่าป้าคงอยู่ไม่ได้แล้วล่ะเพราะเมื่อคืนป้าพบเป็นฝูงเลยหมอถามว่าพบอะไรเป็นฝูงแม่ก็เลยต้องพูดความจริงแหละนะคะว่าผีจ้ะเมื่อคืนมันมาเต็มห้องเลยเพราะฉะนั้นถ้าขืนอยู่อีกคืนเนี่ยป้าคงจะต้องเป็นผีแน่ๆภรรยาของคุณเฉลิมพลซึ่งอยู่ใกล้ๆเธอได้ยินข้าวก็เลยรีบบอกนะคะว่ายังไงก็ต้องกลับบ้านวันนี้ค่ะหมอถ้าคุณแม่ถูกผีหลอกก็ควรจะต้องกลับเช้าวันนี้แน่นอน ที่ภรรยาเรีบกล่าวสนับสนุนในทันทีก็เพราะว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนกลัวผีเหมือนกันชนิดฝังหัวเลยทีเดียวและเมื่อเธอได้ยินแม่พูดแบบนั้นเธอย่อมไม่มีวันนอนประนิบัติแม่สามีในโรงพยาบาลนี้อีกต่อไปอย่างแน่นอนนะคะเรื่องทั้งหมดก็ต้องขอบคุณคุณเฉลิมพลนะคะที่เล่าเรื่องวิญญาณที่ห้อง416นะคะแล้วก็เรื่องพระภูมิเจ้าที่ค่ะเป็นเรื่องราวออของคุณสุชาติ ภาคณภานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีของเราที่ช่ YouTube ด้วยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็หากมีโฆษณาขึ้นมานี่คือรายได้ช่องทางเดียวที่ทางช่องของเรามีอย่าลืมดูโฆษณาให้เราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ